ที่บัตรธรรม ท, ทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกอันหนึ่งที่เราได้มาขอกราบน้รมธการลาตามประเพณีมิยมของชาวพตองมีการโหสิกรรมไปลามาไหว้ อ, อ, อ้อนน้อนถ่อมตนมีมาตั้งแต่นานแล้ว <c oughs> ตั้งแต่พระพุทธเจ้า มาตัดในโลกไปไหนก็ต้องลามาก็ต้องหวาย อ, อนน้อมถ่อมตนที่ปฏิบัติโดยแข่งทัดคือชมยสุขุฏยจังหีัดมีเขตกว้างขวางมากมายมายีพลเมืองสามล้านแต่มีถึงกรานตันไซบุรีสิงคโปร์เสียมนาพัศบอง บ, บ้านที่เมืองนองมาจานานครั้งโบรานก่อนเก่นานครจบบามปาชัดเมืองกง แต่เดี๋ยวนี้อาณาเขตแคบไม่กว้างขวางพลเมืองไทยจะตอกหกสิบล้านแต่งนนาเขตแคบมากแคบในน้ำใจขาดการเคารพผู้ใหญ่ขาดระเบียบวไิไนัยขาดวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทยจะหมดสิ้นไปนับัดนีน้การไปลามาว่าจึงไม่มี ตามโรงเรียนก็หมดแล้วอย่าไปโรงเรียนไว้พ่อแม่สามโหนก็หมดไปแล้วครูไม่สอนไปโรงเรียนต้องไหวครูรักครูจำครูเนะยครูนำครูท่ำครูสอนเจว่างทางผู้สูงอายุหรือผู้รับการอยู่รูกการเวลาต้องยกมือไหวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตามมาว่าเกิดกูริยุกไปไม่หล่อ คนเข้าวัดวอโอาลามเขาจะขนชายขนดินเข้าวัดแล้วจะดูสมัยโบราณสุยะาตายาไปวัดเขาจะเอาดินไปก้อนเขาไม่ต้องการอยากจะเหยียบดินติดเท้ามาวักมาบ้านจึงมีพิธีกุดสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณจะขนชายเข้าวัดตักน้ําเข้าวัด คนโบราณเจงร่ำรวยนำจาอัจยาใสายดีอารียาลอกเยื่อเฟื้อเพล่แผ่โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเงราทุกคนเขาวางตนเป็นกลางปู่ย่าตายายสมัยโบราณจึงอยู่เย็นเป็นตกเรียกว่าสุขโขไทยราชธานมีปัญญามีเงียทีบนมากหลากหลายเขาไม่ต้องขายเชิญผู้มีปัญญามาอยู่ด้วยกัน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 แล้วครูโรงเรียนสอนเด็กนักเรียนอาตมาไปยืนสอนให้ไหวพ่อแม่คนเดียวและยืนไหวด้วยน่าจะกลาบไปว่าพ่อแม่เป็นพระรหัปพระในบ้านไม่มีแล้วหมดขาดหน้าที่ดาการโหิกรมก็ไม่มีแล้วขอสมาลาโทษไม่มีแล้วโบราณฉันว่าไว้คนบ้าไม่ถือคนดื้ออย่าไปสอน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 อาตมาว่าการช่วงศึกษาไปนี่หลอกถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์ขอฝากขออขอแอมาที่นี่เยอะไม่เคยสอนบอกว่าเด็กมาเข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ะเสียเวลาเรียนการช่วงศึกษาออกมาอย่างนี้สอบประจแบบฟอร์มอยู่ที่ถามเด็กส่วนมนต์ดีไหมไม่ไดีเคลิเด็กตัวท้วงตัวก่อตำปา น, นังสมาธิไม่ไดีคลิแล้วเอาเด็กมาเป็นตำํำรา ขอประจอฝากประโยชน์จะใครเป็นครูมาที่นี่เลยขอออบอกกับครูสังคมบอก เ, อเด็กมาวัดเพื่ออะไรที่นี่เลยจับได้เลงใครจะเสียงจะมาไม่ได้เพราะเอาเรื่องสิงพู้จะมาประเทศไทยไปไม่หลอดแน่ไปไม่หลอดแนนะ่ลูกหลานไม่ครบผู้ใหญ่แต่อยากจะเรียนถามถาทั้งหลายว่าหัวใจวัฒนธรรมมีอะไรบ้างท่านจะตอบมาทมาวิายังไง หัวใจวัฒนธรรมมีสามข้อข้อหนึ่งคือเคารพผู้ใหญ่ถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่จะไม่มีระเบียบไปไหนขอ้อสองต้องมีระเบียบไปไหนถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบไปไหนถ้าเคารพผู้ใหญ่แค่ข้อเดียวเคลื่อฟังผู้ใหญ่จะมีระเบียบไปไนส า, นนามาประเพณีวัฒนธรรมชาติจะปรากฏชัดเรียกว่าคำนวณทำเยี่ยมประเพณีไทยนี่ชัดแค่นี้นแต่ครูไม่สอน กระทรวงศึกษาธิการอาตมาว่าเสียดายเยมาก่อนเนี่ยขอจเจริยนพรอท่านผู้รักกันดูทุกท่านมาก่อนมีศึกษาธิการจังหวัดคนเดียวศึกษาธิการอำเภอคนเดียวบริหารศึกษาเรียบร้อยเดี๋ยวนี้มี พ, อ o, พอ A, ่ออพ่อแอเยอะหมดก็ไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงเลยไม่รู้ใครเป็นผู้บงังคับบัญชาเลยการศึกษาเสียหายเดี๋ยวออกมาอย่างนั้นเดี๋ยวออกมาอย่างนี้อะไรบ้าบอคอแตก ตมาว่าไปไม่รอดถ้าไม่ไปเอาแบบเ่าไปไม่รอดผู้ใหญ่คนเดียวเนี่ยเขาบริหารดา่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่มันเยอะเดี๋ยวนี้นิ้วเท่ากันหมดแล้วเพราะเจริญพรเยวหมองนิ้วเท่ากันไปไม่รอดนิ้วเท่ากันไปรอดไม่มีนิโป๊นีชี่นิ้วนางตัวจักรสลิกามันเท่ากันจับไม่เดินจับไม่เดินเดี๋ยวนี้ผู้น้อยผู้ใหญ่เหมือนกันหมดเลยเพราะอเพราะแอรทั่วหมด พ่ออรโรงเรียนยังมีพออกองทัพารประจำจังหวัดยังมีพ่ออสอประจอสอปแจหลายพ่อ อ, อมากมายไม่รู้จะขึ้นเหลือไหร่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเคารพสื่อสาธิการสื่อสารการไม่มีความหมายสึกษสาธิการก็ต้องไป ห, หางหานวาัดทำไปไม่หรอกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมาเป็นเด็กนักเรียนมีศึ่อสาธิการคนเดียวบริหารช่างโรงเรียนประถมช่างมัธยมคนเดียวเหลื อ, อลลกินเขาเคารพกัน เดี๋ยวนี้ผ อ, อ, อเยอะแยะในอำเภอก็ไม่ไล่ความหมายผู้ว่าการจังหวัดกะไล่ผมมาไม่มีการเคารพกันเลยกันแต่ครึ่งในเดือนแล้วอ้อของใครของมันเลยไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คือใครผู้บริหารคือใครไม่มีแม่ทัพไม่มีจอมทัพจอมทัพมีคนเดียวคือพระเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้จอมทัพมีทุกคนเป็นจอมทัพกันหมดจอมคนนั่นจอมคนนี้ทั้งหมด เลยไม่มีจอมพลคือพระเจ้าอยู่สมาว่าเสียดายและเกินีกก่จะไปไม่หรอกสมาได้ยิงครูเขาสอนนักเรียนไหวพ่อแม่คนเดียวยืนไหวกว่านะแต่น่าจะตีความตามคําสอนขอ้อมูลจาว่าพ่อแม่เป็นพระละหันนี่ไม่ใช่พระละหันพ่อแม่เป็นพระละหันของลูกใช่ไหมไม่มีเลยเดีย๋ยวนี้เอาพ่อแม่ไปไหว กรมประชาสงเคราะห์ไปดูบ้านฉลามาชื่อวัดนี่หลายคนเนี่ยมาที่นายพ่อแม่เลี้ยงลูกได้สองแปดคนสิบคนแต่เลี้ยงพอ่อสักคนเลี้ยงไม่ได้นี่เนี่ยฉองกันอย่างนี้สอนแม่ไปลาไม่มีการเคารพผู้ใหญ่เลยอาตอมาว่าวัฒนธรรมไทยหมดแล้วหมดแน่นอนที่เดถียงพ่อเถียงแม่คาไม่ตกฟ้านี่เชื่อกุติเลย คณะปริญาโทยืนพู่กับเตี่ยยืนพูดกับแม่บอกนั่งลงเพราะเตี่ยแม่เธอไปยุกเสด็จนั่งลงปริญาโทตุลาเดินพูดกับเตี่ยได้นี่ปากกล้าขาแข็งเลื่นพร ะ, ะหรหันสนี่หมดทางเนะียท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายเรามานั่งกรรมาฐานเพื่ออะไรก็ไปสวรรคนิพพานนี่แหละไปยานที่หกน่าจะนั่งกรรมาฐานให้ฤกษ์เขตุการณคุกคีกั เพื่อนะ่างก็มาฐานให้เกิดความรู้สู้ความดีมีปัญญาก็มาฐานทําให้ฐานหน้าดีก็มาฐานแปลว่าแก้ปัญหาชีวิตก็มาฐานแปลว่าไกงแปลว่าหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบด้วยความถูกต้องออกแปลอย่างนี้ไม่อย่กมาฐานจะไปสวรรค์ผ่านยานที่โผลขึ้นเนี่ย สมวันได้ยันที่หกเลยเป็นโสดากันหมดประเทศมันทึงนเ่เป็นเหตุผลที่นาเกลียด เ, ยเลื่องต่ ม, มาว่าวัฒธนธรรมไทยจะหมดไปแล้วระบาดทุนเดียบพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าคนไทยมีของดีมากคนไทยมีของดีมากแต่เอาไปทิ้งให้ฝรั่งเก็บเกินหมดแล้วเมื่อกี้ก่อนจะมาเนี่ยรับโทรศัพท์จากรัฐโมชินั รับโทรศัพจากตา่างประเทศไปถามอย่างมาั่นแน่นอน อ, องนี้เนื้กรรมาฐานเจวานาที่การงานต้องรับผิดชอบตัวเองไปรับผิดชอบคุณโน้นไปรับผิดชอบคนนี้จะถูกต้องปพิการณได้ไปนั่งกรรมาฐานนี่วันนี้พระมาจากโคระบอกองค์หนึ่งเข้าป่าไปแล้วบ้าบอคอแตกไปแล้วไปนั่งพุโทโธไปเจอพุทธเจ้าขอบไปเลงใหญ่แล้วถามมังษาตัวปฏิโมกเก่งไปแล้วไปแล้วยามาอีกคู่นึง พระผู้ดงบอกให้ท่องคาถ า, าไปเจอผู้เจ้าเดือดเ่ยมือไม้ซานไปหมดแล้วเอาอยัางไงกั น, นแน่ตามาว่าเสียใจยมหม่วัดห้าหมื่นวัดสอ น, มนสไม่ทรงสวัสดไม่ได้เอาหลักสูตรสติปัฏฐานสี่เลยสมเด็จประยาในสังวรศาสนาครูตามาไปเคารพท่านตั้งแต่นั้นนานแล้วใช่ไหมตลอดสติปัฏฐานสี่สติเดชสุด อย่าคาสติคาสติมันจะไม่มีสตังคาสตังจะไม่มีอะไรนาทิดายโอกาพระไปเข้าในถ้รใเทือยปริญญาพอตุลามานั่งที่นี่สิบ้าวันดีเนี่ยเพื่อนพาไปโนนครถวันไปเข้าถ้ำเขาเหวป่านนี้ยังไม่กลับมาพระพาเขาทำไปเลยมันจะถูกแล้วถ้าทาพาผู้หญิงเขาทำ ไปเจอดวงกรรมฐานเสียใจมาซื้อพระมาจะโคระถามบอกนั่งเพื่ออะไรท่านไม่ทราบเลยมาเร็วๆจะมาไปพูดถึงวัชระมาเจ้าว่าสามร้อยองนั่งฟังถามเจ้าว่าดูว่ากรรมฐานแล้วอะไรตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยกรรมฐานต้องแปลว่ากัจะปัญจกะกรม ร, กรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีห้าต่อต่าอม่านี้ โยมผู้ชายเคยบวชแล้วอยากจะเรียนถามอ่ะก่อนจะบวชก่อนจะอุปชาจะให้ผ้าเรียนกรรมฐานหรือเปล่าเรียนหรือเปล่ากรรมฐานคืออะไรเกสาโลมาน้าขาทันตาตะโ ต, ตะโตทันตานาขาโลมาเกสาตาตรงนี้ถูกมะฝลัง่งอกแข้งไ้ตอบกรรมฐานไปสวรรค์นี่ผ่านมนุษย์โสซิทำกรรมฐานต้องการให้เป็นมนุษย์มนุษย์โสซิเป็นมนุษย์ปล่า อามะพันเตเป็นมนุษย์ถึงจะบวชฮะโยบุตรชายเคยบวดต้องรู้ตรงนี้มนุษย์โฉซีแต่มนุษย์หรือเปล่าไม่ใป็มนุษย์บวชไม่ได้มนุษสะเปกอบวชไม่ได้มนุษย์เดระฉาโอบวชไม่ได้มนุษย์เสดรยโก้ บ, บวชไม่ได้บวชมาที่จะยุ่งพระทุกทุกประจักเอาพระเนลิโกมาบวชไมช่เป็นสสไปแมนุษโสซีไม่เป็นมนุษย์โฉซีถึงจะยุ่งกันนะยุ่งกันทุกวันทุกตื่น ถ้าเป็นมนุษย์บวชได้แตะเดรัฉานแปลงมาบวชบวชไม่ได้สามารถเดรัจฉานนง่มนุษย์เดระฉานโง่บวชไม่ได้พญา น, น, นาคแปลงมาบวชยังต้องให้ฉุดเดรัฉานบวชไม่ได้จึงมีการคําถามว่ามนุษย์โสซียอมผู้ชายจะเคยบวชจะรู้ตรงมนุษย์โสซียามะพันเตเป็นมนุษย์จะขาดบวชได้มนุษย์โสซิไม่เป็นมนุษย์บวชไม่ได้กลับไปจะดิ้ง แม่เนี่ยถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามจะไม่มีปัญหาเลยนะจะไม่มีปัญหาคนเรามาบวชไม่ได้เป็นมนุษย์เลยมนุษย์เดรัจฉานองร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉานขวางคนโน้นขวางคนนี้ไปคนโน้นเปะคนนี้ไ ค, ค, ค, ครจะทดีต้ไปขวางนี่อ่ะสนใจจะเป็นพระดิจัยญาติโยมชายโยมหญิงที่เคารพโยมมาเนี่ยมาบวชไม่ใช่บวชหยัน บวเน่คัมภีรปฏิบัติธรรมต้องการจะเลึกถึงคุณบิดามารดาค่าพ้อนน้ำนมของแม่ได้แน่นอนเนี่ยแล้วแม่ผูคอตายไม่รู้ว่าแม่ผูคอตายขับขึ้นจากนรกได้ไมีตัวอย่างที่คนบางกะปิเส่เกจบัตรที้ไปลองที่บดีแม่ผูคอตายมาตอนเขายังแบบบอกคนผูคอตายค่าตัวตายเนี่ยทําบุญไม่ถึงต้องนั่งกรรมฐานจะได้ มาเข้าฝันเนี่ยเป็นตําราที่เราต้องลงมาทึกล้วจะลงกดแห่งกรรมไม่ได้เราก็เป็นรองทัศนีย์เป็นผู้หญิงถ้าลงแล้วว่าแม้แ ม, แม่ข่าตัวตาเดี๋ยวก็มาถามม่าล่ดเขาเข้าใจผิดคิดวันน้าเนี่ยเป็นแม่พอเขาแม่เขาตายภูเขาตายเนี่ยเพราะว่าเขายังแบะ บ, บอกสามเดือนเท่านั้นถ้าจะรู้เรื่อง เ, ยเียขอฝาญาติโยมมานั่งก็มาถานไม่ต้องการไปสน ต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตแต่บางคนก็พูดผิดว่นนานกากรรมฐานตัดกรรมได้ตัดได้ที่ไหนอง น, นั้นอาตมาก็ไม่ต้องค้อหาสินะว่าพาแล้วนั้นเนี่ยนานกรรมาฐานต้องการจะใช้กรรมแต่ว่าใช้มันหมดในชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไมาต้องมาเกิดไม่ดีเหรอปฏิบัติกรรมาฐานต้องการจะรู้กดเห็นกรรมเนี่ยไม่ปฏิเสธทุกข้อหา ต้องใช้แน่นอนเราเป็นนี่เขาไม่ใช้ยังไงฮนะไม่งั้นจะอาตมาจะรู้หรือว่าสิบสี่ตุลาพอท่านจะหักรถจะชนเที่ยงสีบห้าสองพันห้าร้อยยี่สบ็ดหมดอายุแล้ ว, 4, 5, 2, ดด แ, ลวแต่เราไม่รอดด่ะอย่าลืมโยมทุกคนจดตั้งใจฟังอาตมาพออายุได้ก็มาถามต่ออายุเทวันเกิดมาหน้าก็มาถามบอกด้ยวาผู้ชายทะวันเกิดกินเหล้านะ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 เสียใจด้วยนี่ครูโรงเรียนแผนยาขายยาเสพติดให้เด็กอีกไปรอดไหมไปไม่รอดตมาว่าเสียใจด้วยตัวใครตัวมนันช่วยกันเองตัวใครตัวมันช่วยตัวเองโย ม, อ, มอย่าเอาทุกตอนม า, นาไว้ในใจเลยไหมมจาจารย์รัฐมคมขืนแค่ไหนทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่นสวงถึงหวงหนักห่วงในหัวใจานาสิได้เวลาที่เกิดมาหมดแต่เรียกคืนไม่ได้อยาคืนไม่ได้ หลวงพุทธายเคยบวดแร้ต้องรู้ว่ากรรมฐานคืออะไรตะจะปัญจกะกรรมฐานมีมาตะกรรมเนื่อเกิดมันจะพอกมาด่านี่คือเกสาโลมาอุปชาให้ก่อนที่จะหมท่านอย่เรียกว่าตําราคนเค็สให้เป็นมนุษย์มนุษย์สอนเซ่ไม่เป่มนุษย์บวชไม่ได้เดี๋ยวนี้บวชกันสร้างำๆมมนุษย์หรือไม่บวชบวชแต่พืชใครมาก็บวชเรก้งหัวบวชเลยนั่นนะบวชกล้วยบวชกะทองบวชทีใสน้ําลที่ บวดรับบวดร้องบวดรองประเพณีบวดหนีสันสานบวดสายก็สุขบวดสนุกตามเพื่ออกหักหลัก้อยบวดคอยงานบวดสัญสารเสื่อมหน้าจะบวดด้วยเลื่อมสายไม่เลื่อมสายบวดไม่ได้ทุวนเดี๋ยวสองวันจะบวดอแล้วทุนตรีก็จะบวดกันที่นี่เชิญแต่ต้องท่องได้ตนี้ต้องรู้กัต้องมีเรียนวันที่สองบวดสิบห้าโอห์วันนี้บวดสิบห้าโอห์มไม่ใช่บวดกล้วยนะ บวชกล้วยไปถื่อื่นบวชทอื่นแนละ้ไปถึงเช้าเย็นหมดเลยนะแล้วกินโต๊ะเลยนะโต๊ะเตีงเลยนะบวชแล้วกินโตาะเตีง เ, เลยแห่กันใหญ่เลยเสียใจบวชกล้วยบวชสักทองวัดห้าหมื่นวัดคุณยมหม่อมต้องขอพูดวัดห้าหมืนวัดช่วยกันหน่อยเดนะ้ะสอนให้มันถูกต้องสติปัฏฐานดีที่สุดมี่เราได้จากสมเด็จพระชังกหลาดนี่ของอยู่ยังหลีกเราไฟฉา ย, ายไง้า นาฬิกาหยุดครับแกบเป็นที่เล็กแต่เป็นสาสนาโสพลเนี่ยใบเคารพ บ, บูชาทุกสี่งเราปิดทองหลังพระดีกว่าหน้าพระใช้หน้าหน้าทนดีกว่าหน้าหน้าทองใช้หน้าหน้าทองมันลอกได้หน้าหน้าทนซือดทนซืนน่องพ่อนิ่งหลงพ่อทนหลงพ่ทนนิ่นงไปไห น, ต, นาตาดูุกฟังปากนิ่งเตะเล็บเว้มมือทําแต่ความดีจะได้มีปัญญา สู้หน้านาโธนวดมามาอยากทนตาแดดตาฝนวัวก็ทนได้นหน้านาทองเนี่ยหลอกหลอกเก่แต่ลงหน้านาทองวัดโน้นลงหน้านาทองโดนหลอกหน้านาทองดีหรือดีกว่าหน้านาทธนเลยอดทนดีที่สุดเจ้าหน้านาทองเนี่ยไปลงกันอย่าอย่าอย่าคิดโยมใะโยมมีฟ้าอะไรเหนือฟ้าเหนือกดแห่งตารมมีไหม มีไหมเนี่ยเขากรธในการมีไหมนี่ต้องคอหักแขนหักขาหักเป็นคนพิการว่าพาแล้วนนเนี่ยต่ออายุได้กรรมฐานต่ออายุเราจะเห็นได้ว่าโยมผู้ชายโยมผู้หญิงที่เคารเราจะเห็นปู่ย่าตาชัว่วกำลังป่วยไม่มีโรงพยาบาลตายมาชไมป่าสิบเก้าสิบมีโรงพยาบาลไหมไม่รู้จางไม่มียล้วนะ ต้องตามที่บ้านเวลาปู่ย่าตายายป่วยหนักมีมูลพระมาต่อนาสวดตอนนามก็คือมาสอนกรรมฐานคนป่วยได้เย็นสติประฐานสี่สวสติประธานสี่เลยฟื้นเลยสติดีขึ้นเลยก็ว่าพระสวดขันลาวไม่ใช่พระมาสอนกรรมฐานฮกรรมฐานเป็นการต่ออายุได้ไม่เชื่อเลยเหรอองเนี่ยตายไปแล้วเย่สิบกว่าปีเด้ก ตอนคอหกักสองหลอกสองทางรอยีเบ็ดคอหักพับไปหายใจชันสะดือได้โยมอยากใหายใจชันสะดือได้ไปดูนี่เถอะไปลองดูไปให้ลดทนให้คอหักไปเดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะไม่โกหกตามังคนนี้เห็นด้วยไหมตามตอนคอหกักเคยได้ยินชื่อไหมตอนคอหกั ก, ก, กรู้จักกันหรือยังฮะยังเลยเนะโยมพระจนรู้นะ ยมประโจนวัดบวรคือมียาที่ฟันไงละ่ะไปไหนใช่ไ้มอืมไม่เป็นไรกรรมฐา น, นต่ อ, อยุติถ้าโยมบอตอต่อกันไปถ้าวันเกิดของลูกให้ชวดมนภามมกาและงานกรรมฐานอายุจะยืนจะคูนเลยสมบูรณ์แบบถ้าวันเกิดกินเล้าใช้ย่อ ขอแต้มว่าขอแต้ว่าหรือเราเรามาวาแล้วกลับไปหาเพื่อเดียวหเห้ยเพื่อเดียวฮละมาลองเพลงนะ้ะหานเลยหานเลยนี่จะหานไหมหานให้เหลือชั้นตายทันทีหมดอายุเลยก็ ข, ขอประทานโทษคนเราต่อาอยุได้ราช ก, การก็ต่ออายุได้มาต่อมานี่ยสต่ อ, อยุไม่ได้ตายแล้วสองพันห้ายี่ไม่จะไม่เดิมาพบอยู่ ตามมาก็มีมือดี อ, อันคอหัะถ้าเวสุวันเจ้าการรมในเวรทั้งหลายข้าพเจ้าขอหักคาบดีข้าพเจ้าหักคอนกไปเลยร้อยตัวแล้วก็ทอกหัวมันหนังนี่ทกหมดอขอท่าเวสุวันเจ้าการรมในเวรทั้งหลายเอ๋อถ้าหักข้าพเจ้าให้มีมนุษย์หมดขอให้ข้าพเจ้าไปเลยลูกคุ้งทางเนี่ยว่าเดินทางทางสายเอก สติปัญญาสิรู้แล้วสองฝ่าทั้งนี้เนี่ยแต่ข้าพเจา้าใช่นี่มนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้ามาแก้ตัวหน่อยเลยนะมาใช่มนุษย์ให้หมดนะโอ้โหเฟื่นเลยพวกสายรถไปตกล่องคอติดเลยนะนราที่สานไอ้คนสายรถไอ้บุรุษพยาบาลไมถ้ากูไม่สายตกล่องมันจะติดแล้วคอแหม่ต้องให้พระสมเด็จบรรคางต่คนรออง ไม่บุญคุณน่าจะให้ท้าวเวสสุวันณนะเจ้าคำในเวนเนาะขอติดเลยตัวตูดเลยใช่ไหมตูดเนี่ยอย่าล้มไปนะอย่าล้มไปนะถ้ากระแทกตาฉุกหลานเนี่ยมองทีโรงพยาบาลฉีดยาเขาขารีบเลยลองสิเพราะฉะนั้นขอสรุปใจความอย่าเตะตดลูกเลยนะเนี่ยยมเช่าขายอย่าเตโตูดหลาน สาวน้อยอย่าตีสูตรหลานอย่าตบผูลูกโตนี่เป็นจูตประสาทจะเรียนหนังสือไม่ได้องนี่เป็นพยานสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาตอนที่ามาอยู่โรงเรียนต้องพามลูกไปสอ ง, องอญี่ปุ่นถือโตูดขอประทานทอใช้ไปตอบตูดไม่ได้โตมากเราก็ไม่รู้เหตุผลจับหัวแเ่หัวไม่ไหวไม่รู้เหตุผลญี่ปุ่นมันถือละ่ะจนคอหกักคอติดแต่วปวดตูด ถึงได้รู้ว่าสูดเนี่ยครับประชาทอันเดียวกันลองถามหมอดูลองเคสยาตรงนี้สิทำไมาระเจี๊ยไหมกระเจีให้โยมจับได้เลยเพราะเราประชบมารับรองขารีบเนี่ยให้ตูดประชาบตรงเนี้ยถ้าล้มลงไปตายทุกอย่างขโมยแตกอย่าเตะตูด โ, โ, โลกจะเรียนถนงือไม่เก่งแล้วอย่าดุลกอย่าโคโลกจะเซนตกจะเรียนหนังสือไม่จบเป็นยาเอส ทำให้ขี้คลาที่กลัวเช่นตกเพราะฉะนั้นจึงต้องกลัมาถานต้องเข้มแข็งอดทอนโยมผู้หญิงมีตัวผีไหมมีใครกลัวผีไหมเนะี่ยไม่ต้องกลัวอย่ากลัวผีรูปร่างเป็นไงฮะนี่กลัวคนดีกว่าไปตัวผีคนนี่มันหลอกได้ผีหลอกได้เหรอผีหลอกได้ไหมผีมันโกงได้ไหม กลัวคนที่มองมมก็ไปเชื่อผู้ใหญ่ทําไมไปสอนเด็กสมัยนี้บอกกอาคุณแม่ทั้งหลายอย่าหลอกเด็กก็แก้กินกลับอย่าหลอหนูๆอย่าล่องก็แ ก, ก้กินกับยาเด็กที่ขาดหมดเลยไม่ต้องเรียนหนังสือจบไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสืออายุยังไม่พอยี่สิบเซนต์ตกที่ขาดที่กลัว อย่าสอนให้กลัวผีเนี่ยที่เรามาเจริญกรรมฐานนี่การปริบักังวลแล้วนะอย่าไปสนใจคนอื่นเพราะคนมาต่างพื้นต่างฐานไม่เหมือนกันแล้วคนในวัดนี่ก็ไม่เหมือนกันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเรามาทําตัวเราเองเโยมสร้างสติให้กับตัวเองอย่าไปสนใจคนอื่นก็เลยถ้าเราไปสนใจคนโน้นคนนี้นไม่ต้องทำกรรมฐานแน่นอนไม่ต้องทำเลยมันเสียอารมณ์หมดละ เขาจะพูดดีพูดเพราะมัน่าไปสนใจด้ไหมเราหูเสียงเขาก็หูเรามันคนละอันเนี้ยอย่าเอาหูออกไปรับเสียงเขาจะด่าจะว่าไงตัดไปเลยเสียงหนอแล้วไม่ฟังเธอแล้สติสัมปชัญญะจะบอกว่าเสียงหนอฟังด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นด้วยกิเลสถ้าเราลมไม่ดีไปเห็นด้วยกิเลสนึกชอบนึกขังข้างรักข้างชัง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 ถ้าอารมณ์ไม่ดีเน่ยโดนตีเพราะยังไงก็ไม่เพราะคนพูดหวานยังไงก็คลื่นไส้ถ้าอารมณ์ดีเนี่ยคนด่าก็ยังคืน่นใจถ้าอารมณ์ไม่ดีคนพูดเฉพาะก็คลื่นไส้เหมือนโยมเป็นทํากับข้าวแม่ค้าขายอาหารอารมณ์ไม่ดีเนี่ยทำกับข้าวไปตั้งโต๊ะคนจกินคลื่นไส้ถ้าอารมณ์ดีนะใสยน้ำปลาสรงเดียยังอร่อยเลย แล้วก็แม่ครัวหน้ายิ้มอย่างเงี้ยไม่อร่อยเหรอแล้วบางหน้าครัวเนี่ยแม่แม่ครัวมีนังกวักเาะหน้าอย่างเงี้ยกินลงไหมเียยอมผู้ชายแม่บ้านนาอย่างนี้ยกินลงไหมนะเคยไปบ้านเพื่อนั้ยแม่ของพรรยาของเพื่อนหน้าอย่างเี้กินลงไหมคงจะไปโหนเดี่ยวแตมาไปมาหมดแล้วทั่วโลกแล้ว ไปบ้านเพื่อนแตนตัวไม่ดีพัญญาเพื่อนก็เห็นขา้าดูนาแต่หัวและแตายท้าเลยมันมีกรรมฐานดูแล้วก็คอนควักกวั ก, กแหมยังไม่ทันจะรู้จักแล้วตาด่าเราแล้วโอ้โหเห็นเราเป็นอะไรไปไดนะ้เรานี่เป็นเพื่อนผัวเขานะเมื่อกลาจะมาขย่้งเงินผัวยังไงดูคนไม่เป็นยังไงไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยคืองอกอป่า ลอมแปลงมาเพื่อจะไปหารถจนามันจะพูดเล่นเนาะดูเราเป็นอะไรไปได้แล้วเราก็แต่งตัวดีใส่เสื้อเชิ้นพรัดขาดปะสามแ่งใส่มัวก็ขาดมีนาฬิกาหลังหนึ่งไวเลอร์เวลาจะตั้งทีต้องดูตะวังมันบายไปแค่ไหนมันไม่เดินล้านมันขาด เขายังดูถูกลราแล้วก็หากับข้ามานีนเรื่องจริงของอาตมาเลยตำนาน จ, จริงและประสบการณ์คืนวิญญาณผมเอาขับมาเสือแต่ผัวเขาเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนหนยกินให้มากๆกระทั่งที่วันนั้นหิวตลอดมันสตางค์หมดแล้วคี่ไปยั่งหนีแม่ไปจงไม่มีเค่แล้วมีกระเป๋าอย่างดี กระเป๋ายังดีเลยใครเห็นเขาก็คลื่นใส้กระเป๋าอลไรรู้ไหมมีผ้าผัดน้ําอาบน้ําอยู่ผืนเดียวเสื้อจันทบูรกระเป๋าเสื้อจันทบูรรู้จกักไหมหรือไม่รู้จักเกิดไม่ทันนะแล้วก็เห็นกระเป๋าเราเขาก็คลื่นใส้เขามีกระเป๋าหนังกันแล้วมีกระเป๋เ า, าเสือ้อดีไมเราเอาข้ามาสือประวัติศาสตร์ต้องบันทึก แล้วรูปร่างพันพันาครับสวยคนนี้สวยมากสวยน่าเ ก, กลียดพิ่ดิเราพระราชาข้าวใส่ปากนะแล้วก็แงไปดูคอนพักตีลงไหมเนี่ยติลงไหมเลยวันนั้นหิวตาตากินไม่ลงเลยต้องวางท้อนบอกเพื่อนว่าปวดท้องคลื่นเสียนเวียงกล้าคลื่นเสียนเวียงกล้าแล้วก็แงไปดูเมียเขา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 ปึ้งตึงถ้าลงส้นนะตูดมันจะเยิ้มเยิ้มเยิ้มเนี้ยดาเราดาเอาลองที่โลกลงซ่อนต้องไปเลยอันนี้เราไปเตะเขาได้เมียเขาใช่ไหมโอ้ตายไปแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเล่าก่อนยัง มันดูคนไม่ถูกนี่เพื่อนเรานี่ที่เรามีพิจิตถานะมีวังกรดไปเยี่ยมเพื่อนก่อนจะบวชธรรมะกลาบแนวเทสจะบวชก็หนีแม่ไปหาเพื่อนไปลาเพื่อนโหสิกรรมต่อเพื่อนจะมาบวชตอนนี้นเลยได้ํานาจริงเลยยอมผู้ ช, ชายขอข อ, ขอประทานโทษถ้าไปเจอมังง่งยอมว่ากินข้าวไม่ลงเรายังไม่รู้จักกับเขาเลยสแสดงมารยาทอย่างไม่ควรเปแม่บ้านที่ดุ แล้วเนี่ยในเวลาการต่อมาจะมาบอกเพื่อนเนี่ยรถไฟยังอยู่ไหมเราจะไปหาเพื่อนพิชโลกนอนพิชโลจกพิจิตรรถสองทุ่มยังมีบอกไปส่งว่าขอตังค่ารถ ด, ด้วยตังไม่มีหมดวันนั้นทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยรู้รักกาแต่ะว่าิาสตต้องบันทึกเพราะฉะนั้นแม่บ้านดีสุดหัวไม่ดีไม่ไหลแม่บ้านดีสัคนเดียวลกดีหมด หัวดียังไงแม่บานอย่างเนี้ยลูกเอาดีไม่ได้ไม่คนนี้มันพกนางกากมามากแล้วมองเราคอนตาเราดูตารู้เลยจะลากเราไม่ละถ้าลากเราตามมันจะยิ้มถ้าลากเปลี่ยนเราตามจะแข็งตามันจะกลับตากลับตากลับแล้วว่าคอนค้อนสามชั้นเลยดูคนไม่เป็นไง องนี้ดูคนเป็นเห็นหนอนี่เล่าพระชพรการให้สั่งแม่บ้านดีสา ม, มีเป็นไรได้หรือยแม่บ้านเลวสา ม, มีเป็นในพนไม่ได้สา ม, มีเป็นเจ้าเมืองไม่ได้แม่บ้านไม่ดีสา ม, มีเป็นอาเสีพไม่ได้เป็นได้แต่เพียงอัเหี้ยกระตุว้วเหี้ยมันจะผู้เล่นนะอันนี้เป็นวาจาต้องประทับ อาตมาก็เดินทางไปพิษลกสี่ทุ่มเนี่ยไอ้เพื่อนยก็ไปอยู่เวรที่อำเภอเเกเอ็เป็นประหลัดอำเภอเขาแก่กันเราแต่เรียนชั้นเดียวกันเป็นประหลาดอำเภอเขาจะไปเนี่ยเขาก็บอกพัญญาเขาอะเพื่อนมาเราก็หิวข้าวน้ำลายไหลยุหยุดหยุดขึ้นไปก็ยกมือไหวเรามันมืออ่อนเนาะชอบไหวนิสัยไม่ดี เจอยกมือไหวคุนนอนไหวคุนมือไม้อ่อนเนาะดีไหมดีนะเขาก็ถามบอกคุณทานข้าวอย่างโอ้อิม่มไม่ต้องมันก็มองหน้าแหละบอกอิ่มวันนี้อิ่มมากทาบ้านเพื่อนมาแล้วเรืเดี๋ยวหายไปเลยบอกคุนฟาบา้านก่อนหากับข้าวมาเยอะเราพอเห็นกับข้าวน้ํำลายหลยืดเยื้อ เดี๋ยวสาธิตให้ดูน้ำลายมันไหลร้ลองหิวเลยองหิวหิวทั้งวันเลยแล้วเราก็มองดูสํานัก บ, บอกไม่เป็นไรขอบคุณมากครับอุตสาหไปหากลับข้ามาสี่ทุ่งกว่าแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่รับแล้วครับเพราะว่าทานอิ่มมาจากบ้านน้องอิ่มอะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปตลาดเดี๋ยวกลับมาเนี่ยไปหากาแฟ เข้าบ้านก่อนพอาะเชได้ทำงานหรือไหมแสดงว่าไม่ไม่ได้รับทานกินเข้าไปหิวซาเจียนพอเขามาเขาก็กอมองแล้วเขายิ้มแสดงว่ารู้โอ้โหทั้งวันแล้วไม่หิวอะ ขอโทษนะสองวัน น, ะน้ำไม่ได้อาบเลยจําไว้อาบน้ำบ่อยไม่ดีมันเปลืองเขานะประชุมประการเล่าอยมครับตอนเช้าเขาก็ไปจากตลาดเราก็ดูบ้านทานจะดูได้ไปงัวไปไฟฟ้ากระจาดเดินตามตู้เข้าไปโค ต, ตลาดบอกคุณนายไปได้ลูกจ้างไปไหนมาเล่าออแล้วก็บอกขอบคุณครับสวัสดีครับผมเพิ่งมาไปลูกจ้างเขาเมื่อวานนี้ครับสวัสดีครับ เรามันมืออ่อนมืออ่อนแต่ตีไม่อ่อนแล้วตีแข็งดีมาดีเตะเนาะเขาดีผัวเขาเนี่ยไม่เคยพูดกับเราเพราะเราเคยรู้นิสยัยดูได้เดือนนึงเลยเดือนนึงช่วยงานเขาบ้านนี้เขาเียมีอาชีพพ่อแม่เขามีอาชีพหาน้ำมันยางขายขี้ตายหรือจัดขี้ตายไห คุ้ยเขาต้องเดือนเครื่องตอนเครื่องทรงเราหายหมดเลยเขาซื้อให้ใหม่หมดดีไหมนาฬิกาก็าซื้อให้ใหมด่ดีไหมแม่บ้านดีทํางานจะตกายใช่ไหมยโยมให้ด้วยไหมยโยมลองเปเป็นอาตมาดิเขาพูดเฉพาะอย่างเดียวช่วยเขาทุกอย่างดีไหมมีเมียมันได้อย่างเนาะไม่พูดเล่นนะ ถ้ามีแม่บ้านอย่างนี้แล้วก็จบเลยแม่บ้านบูชานังกว่าพอเพื่อนขู่มาเห็นไมด่ดีประวัชาติประทับแต่นากรรมฐานไม่เป็นนะอันนี้เราประสบการณ์ให้โยมฟังเพื่อจะมาประสบกันอยมาเนี่ยไม่ชา้าพัญยามีลูก2องคนแล้วก็ตาย แต่สามีอยู่ในเวลาการต่อมาเขาก็ย้ายโยกไปไปเป็ น, นายอำเภอแล้วก็พาลูกมาวัดแล้วก็สองคนผมมีอย่างนั้นก็มาถวะแต่ไม่ใช่วันนี้นะคือเราบวชนวันนี้มีเล่าประวัติให้ฟังว่าชีวิตในครอบครัวแม่บ้านดีสักคนอยูสามีไม่ดีไม่เป็นไรแม่บ้านเขารับแผ่เขาหุงข้าวให้เรากินโยมไม่ได้เป็นคนหิวโยมจะดียังไงก็กินไม่ลง แม่บ้านเขาเป็นแม่ครัวแล้วก็เป็นแม่บ้านการเรียนเช่าศาสตร์แม่แบบแม่แผนแม่เกลนดีสักคนเดียวลูกดีหมดทั้งบ้านขอฝากไว้สามมีเป็นอิพนได้เท่าแม่บ้านดีสามพันยาไม่ดีเนี่ยสามีเป็นอิพนไม่ได้โกเทนตำจบไว้เลยเพราะงั้นก็ขอฝากญาติโยมโยมผู้หญิงทั้งหลายเราเป็นแม่บ้านการเรียนงานแผาศาสตร์สอนลูกผู้หญิงไม่ได้ แม่แบบแม่แผ่แม่แผงทำมาถูกแบบถูกบทจะได้หมดจดหมดเจาะม่ลูกดีหมดทุกคนสามีที่เหล่ามายาลูกไปนอกเตอร์ด่เพราะแม่บ้านดีเท่านั้ น, นพ่อบ้านจะไปเล่าเจ้าชู้ไม่เป็นไรจะเล่นการพ น, นันจีนเหล้าไม่เป็นไรเหมือนอย่พวกต้งไปรตรวจกิริขันแม่บ้านดีสักคนอยู่พ่อบ้านเลิกเดิมธุลาปิดมาสีสิบปีแล้วเลิกนี่มาวันนี้กลับมารักพวกนักกรรมฐาน จังหวัดประจวคลีดขังแล้วลูกดีหมดเอาลูกมาบวชทิ้งไม่เล่นการพนานไม่เสพยาเสพติดช่วยพ่อแม่ค้าขายสร้างหลักฐานได้ดีด้วยเพราะงัน้นกรรมาฐานจึงแก้ปัญหาชีวิตได้ดี่แล้วก็สวดตามมัตาไว้ยาโยมทั้งหลายลูกจะดีโรคเสพยาเสพติดเมื่อะไรเนี่ยจะหายพ่อแม่มนีธรรมะเลย ไม่ครบวงจรลูกดีไม่ได้สมาขอฝากไว้เรื่องจริงอย่างราฉะนั้นกรรมฐานไม่อยไปสอนในฐานเอาลูกเป็นคนดีครอบครัว อ, อ, อูเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นโยมเหมลยจิตไม่สงบมีแปลกระการสมาที่ไม่เกิดมีอยู่เจตการที่พูดซ้ํำซากมานานเนี้ยจิตไม่สงบหนึ่งมีไม่พอสองใช้เวลาว่างเกินไปจิตไม่สงบ ใชาเวลาว่างเลยใบจิตมันจะคิดข้นไม่ดีสากเบียนเบียนจิตใจคิดไม่สงบสีอวัยวะไม่สาดหนความปกติธาตุทั้ง4ขาดไปธาตุด้ยธหนึ่งขาดติตท่านจะไม่สงบเลยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวก็ล้มขึ้นล้มลมเดี๋ยวกลายเป็นโนเป็นนี่ 5. โลคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียนหสิ่งวัลอ้อมดึงทางชั่ว ไปอยู่ที่ถึ่งแวดล้อมไม่ดีจิตท่านจะไม่สงบเกิดครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะกันทุกวันจิตท่านจะไม่สงบเลยแปดมัวเบาเอาใบมัวเมาใบยมุกหาความสนุกในสังคมจิตจะไม่สงบมีแต่แปดจักรไม่มีใครเสียงฝรั่งยังเสียงไม่ขึ้นจิตเป็นสมาธิไม่ได้มีอยู่เจ็ดจักรันหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตตกกังวล คิดโน่นคิดนี่อะไร้กงวเนี่ยจิ ต, ตนน ท, ท่านจะไม่เป็นสมาธิเลยเหนื่อยใจเหนื่อยกายแบกกระสอบเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่มีทางหายเหนื่อยใจเยอะเกินเหนื่อยใจเยอะเกินทุกข์ใจเยอเกิ น, ก เ, อ เ, กนเอาทุกข์มาไว้ใจใจมันจะเหนื่อยใจนี่ก็สามสมาธิไม่เกิดน่สโรกภัยขัเจ็บเบียดย ห้าราคะเกิดหกโทษสาเกิดเจ็ด 7. อภรก็ล้มมากระทบอย่างแรงจีกท่านจะไม่เป็นสมาธิถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนมีเจตการจำไหมเจตการเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิเลยต้องฝึกข อ, ขอพระทานโทอจะมาฝึกตอนแกน่จะแย่ตอนตายบอกลูกหลานเจ้เล็กๆเอาเลยเอาเลยจะไปฝึกตอนแก่นะ แก่ๆทีจะมาฝึกแล้วเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอ๋อต้องสักกเท้ายันเตยันตังที่จะมานั่งกรรมาฐานได้เหรโยมเลื่อนจิต 40, 40, อายุสี่กว่านี้ยกำลังดีเป็นโรคมะเร็งจากซุยแฉล่งกินก็ดูภูมิหมดแล้วต้องตายภายในเดือนต้องตายแน่นอนสะมีลูก3คนกับสามีเป็นฝรั่งแพทย์ซุยแฉล่งบอก ตายเดือนก็ดูคมหมดแล้วก็ดูนี้มหมดภูหมดเลยตายเธอสามีบอกเอางี้แล้วกันนะลงให้ตกะ่ะลูกเราจะรับเลี้ยงให้คุณไปตายเมืองไทยบ้านอยู่คยนครสวรรค์ไปตายเมืองไทยแล้วกันเราจะรับเลี้ยงลูกเองลูกสามคนรับเลี้ยงเองเขาตัดสินใจโทรมาลงพ่อคะช่วยทำํทำทาศพให้หนูหน่อย บอกมาเลยจะเอาเอาโขนหรือเอาละครองค์นี้เทศฟรีเทศฟรีแล้วจะมีมนพระมาติกาฟรีฟรีหมดทั้งทุนหนางมาเลยมาเดินไม่ไหวขาก็ดูผูกหมดแล้วก็ดูผูกหมดเลยบอกเรื่องจิตกินน้ำตาะล เดินจุกลมตายข้างฝาเดินขวาย่างหนอตายตา ย, ตายน้ำตาร่วงปดหายเลยไหมหายเลยทำไม่ได้ทำไ ม, ไไมตายให้มันตายกลยัวตายไคะกลัวตายมกลัวตายไมฮะไม่กลัวแน่เลกลัวตายั้ยไม่กลัวเพาอะไร ไม่ควไม่ปวนะวอะไรนตายอบายงั้นเพูดไม่หมดเปลือกพูดไม่หมดเตือต้องพูดอย่างนี้ดิฉันไม่วตายยังไงยังไงก็ไม่ัวตายตายเป็นตายแต่เขาตายกัเยแต่หนูยังไม่อยากตายอยู่นี้พูดใ้ีเปคเอไม่อยากยังไม่อยากตายอยู่ทีถูกไหมพูดเนี่ย เราพ่อค้าหนูไม่ไม่กลัวตายเมื่อไรไม่เป็นไรไนไนพอจะตายขึ้นมาเรพ่อค้าไม่กลัวตายแต่หนูยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อย่อยากจะอยู่ทำบุญอย่างที่วาเนี่ยอยากจะทําบุญต่อไปอีกอยจะช่วยหลวงพ่อค้าเลยพ้าเวชวานก็เห็นเอ อ, อเขาอยากจะอยู่ต่อไปเลยให้อายุยืนต่อไปดีไหม นะเอาละให้อยู่คนละร้อยปีได้ไห ม, ไไหมนี่นี่บางคนบอกให้อยู่ร้อยปีนยบอกว่ามากนะพอจะเกิดตตาหลวงพ่อขาหลวงพ่อขาหนูอ่ะบาดเจ็บแล้วค่าบาดเจ็บได้ยังแรียกหนูเนี่ยบอกว่าไม่กลัวตายหรอกหลวงพ่อขาจะอยู่รอ บ, บวชหลานจะคน พอบวชหลานได้แล้วนะจะตายแย่หลวงพ่อคะแต่มีหนูสักนิดหนึงหลานคนเล็กอะ่ะแต่งงานจะตายให้มันตายเพราะแต่งงานเสร็จแล้วจะตายขึ้นมาหลวงพ่อคะก็เนื้ว่าจะทำบุญอีกสักนิดจะเท่ากะถิ่นไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริง น, นเนี่ยจริงไหมยยอ ม, ยอมไม่ต้องกัวตายกัวตายไหเอาละถ้าไม่ใช่บุกรรมฐานจะไม่พูด จะบอกยาพิเศษยาพิเศษของเราเนี่ยรับรองร0อปรเ็ไม่้องจดไม่สองอย่างทำไหมนะหนึ่งรับทางข้าวไว้สองหายใจไห้ไม่ตายไอคนที่ตายอย่างมันไม่หายใจใช่ไหมไม่ตายอ่าเปรดมาแล้ว มีของบ๊อบเศษไต้ก่อนรอให้โยมก็ไปที่ห้องก่อนนะแต่แต่ให้ที่โยมที่ห้องหมจะเป็นเศษด้วยอะไรมาเนี่ยแพ่ไม่ตาแม่ตาจะสับพโลกฉมิงมาจะสัมภาวเยอปริมันน่ะขับรถโยมผู้ชายขับรถภาวนาอย่าง หรือยาวไปเอาของสมเด็จโตแม่ตาคุณนางอลหังเม่ตาทจําไว้เลยแม่ตาคุณนางอลหังแม่ตาเท่าเนี้ยพอเนีลยแปลว่าอะไรแม่ตาแปลว่าปาตตนาดีคุณนางมีประโยชน์ต่อชาวโลกคือแม่ตาอลหังแปลว่าปลายจากเกลียดถึงจะมีแม่ตาถ้ายังมีกลียดอยู่ไม่มีแม่ตาแน่นอนจำไหมแม่ตาคุณนางอลหังแม่ตาเท่านี้ ยานายัางต้องมานาั่งกรรมาฐานเพราะคาถาเราคุณธรรมกิติวัตรคางคือสมเด็จโตแผ่เมตตาให้ยานาวัณหาบุตมานั่งกรรมาฐานวัตรคางได้คือบทเมตตาคุณนางอรหังเมตตาถ้าโยมจะไปเจ อ, อยานาถ้าได้แผ่เมตตาจำไว้ขับรถเนี่ยแผ่เมตตากรรมาฐานโยมถ้าอารมณ์ดีกำลังขับรถ ลูกเรียนต่างประเทศส่งกระแสกิจด้ไม่ต้องมาสวดมนต์พิบัติทาไมต้องแพ่เมตตาต้องมานั่งกรรมาฐานก่อนหรือสวดมนต์ก่อนอเพราะอะพราะอารมณ์ยังไม่ปกติต้องสวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ปกติกําลังขับรถดีอกดีใจชื่นใจกําลังขับรถกระชงเมตตาให้ลูกดาลูกอยู่ช่วแสดงหรือรอนอนได้เลยถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่เหมือนยิงปืนตกปากกระบอกไม่มีกําลังส่งไม่ได้ผล น, นะ ประานประทานโทษนายอนะมันทำให้เจ็บเราชื่นและเบิกบานทั้งสาลื่นลิ้ลยใส่ไปดกหยิบยกไปในใจคือสติประธานสิตสติสัมปชัญญะเนี่เราไม่ผูกใจเจ็บกับใครไม่ผูกพยาบาทใครไม่อยู่ช้าใครฤรธิ์ยาใครมีเมตตาเนี่ยตากรุงนี้ยออกไปโยมมีเมตตาส่งกระแสใจให้ลูกเอ็นทา่า ห, หลานเอ็นทา หลานจะเข้าแพทย์หมอไม่เคยพลาดส่งให้ลูกให้หลานโยมอาจจะมีหลานมีเหลนก็ด่อาชีวะต้องสวดมนต์ก่อนเน้ะก็นางกรรทานก่อนสําหรับจิตมันไม่อยู่ที่อารมณ์ไม่ดีก็ต้องสวดมนต์ก่อนทําไมต้องสวดพุทธคุณท า, ายุเป็นการต่ อ, อยุคทําให้มากเข้าไว้ดีกว่าน้อยให้มันมากกว่าายุมันจะได้ต่ อ, อยุคไป คูณหรือบวกนะอย่าหานเลยอย่ามักง่ายมักด่าถ้าลมดีแล้วก็แผ่ในตาถ้าเราผูกใจเจ็บมันจะเป็นเหตุหาบประการกับผูกใจเจ็บหรืออิจฉาใครหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีสองไปอุปสรรคในการประสานงานที่ดีสามเป็นการขัดขวางกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสี่สร้างศัตรูให้กับตัวเอง สร้างศัตรูให้กับตัวเองห้าไม่มีความจริงใจกับเพื่อนรวมมามีอห้าประกาศถ้าเราจิตดีมีเมตตาจะไม่เป็นอย่างนี้เลยจะมีกษัตริย์มักีทำพี่น้องก็รักกันพี่น้องจะไม่อิ่วฉาริษยาขอประทานทโทษถ้าพี่น้องทะเลาะกันจะแบนญาติสมัยการโยมอยู่ในกลุ่มน่ะขอให้แผ่เมตตาให้เขากับเราอย่าเป็นศัตรูกันเลยเราเป็นพี่น้องกันแล้วแผ่ทุกวัน ได้ผลเลยเขาจะไม่เป็นอริ่กับเราจะไม่เป็นศัตรูกับเราเพราะฉะนั้นตรงแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเราที่ศัตรูนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นเลยนะส่วนมากเป็นญาติกระเทิอนพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันแท้แทเรียนมาด้วยกันยังทำกันจได้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ทําเราหราเชื่อเรายอมเชื่อตมาเชื่อตมาฮะถ้าคนอื่นเขาไม่ได้มีรารู้จั ก, กับเราเขาไม่ทําอะไร อย่าลืมนะเพื่อนชนิด ต, ตัวสําขัดทําได้อย่างหน้าลงคอสองย่าชนิดไม่จะหายทาได้อย่างลงคอโองได้ชัดเจนแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ทําเราล็อกโยเขาไม่รู้จักกระหล่เพื่อนระวังนะปีนี้มังกรทอง อ, อย่าไปเซ็นรับประกันใครนะรู้ไหมเนี่ยอย่าไปเซ็นคําประกันใครอย่าไปเป็นในหน้าในนี่ไปนี้ห้าเป็นพี่น้องก็ห้า ทำไมาเดี๋ยวจะเสียท่าเพราะมันปีมังกรทองถ้าคุณไหนขายคุณจะทำจะกลายเป็นมังกรเล็กแต่เราจะช่วยเขานายโยมเขามาขยิมเงินโยมปีนี้นะลงให้ตกให้เขาไปเลยถ้าเป็นพี่น้องให้เลยไม่ต้องเอาตอบแทนเพราะไม่ได้คืนต้องคิดหนอก่อนก่อนจะให้คิดหนอจะได้คืนไหมหนอ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 แต่เราก็ไม่ว่าเลยกันโยนแต่สู้ยากไม่ได้แต่พี่น้องกันเนี่ยไม้ภผยต่างคร่องพี่น้องต่างใจท้องเดียวยังเหมือกันไม่ได้แต่ญาติเนี่ยหากญาติะการนั้นจกญาติในศาสนาหนึ่งคุ้นเคยกันสองไปมาสู่กันเสมอสามอาศัยได้ไม่อะไรช่วยเหลือกันตลอดนี่คือญาตเป็นพี่น้องกันไม่มีสามข้อไม่ใช่ยากเป็นแต่พี่น้องท้องเดียวกันยากเนี่ยต้องคุ้นกัน รู้ใจกันด้วยไปมาสู่กันเสมอไม่อะไรทุกโศกโรกภัยต้องช่วยกันได้ถ้าช่วยกันไม่ได้มันชยากถูกไห้ธรรมมาพูดถูกไหมนม่ญากต้องเอาสามอย่างบวชเป็นญาติกับพระศาสน า, ษ า, ษาโยมมานั่งปฏิบัติเนี่ยเป็นญาติญาติศาสนามีธรรมะประจําใจนี่เียกว่าญาติญาติญาติกาณฑ์จกบวชนี่เป็นญาติเสียพระศาสน า, ษ า, ษ า, ษาไม่ใช่นุงเหลืองหมเหลืองเป็นญาติ บวชสามวันเจ็ดวันจะเป็นญาติเด่นไงนไม่รู้มองไม่เห็นนี่เอาธรรมะไวไ้ในใจเอาศาสนาไว้ในใจเศรษฐามาทีปัญญาไว้ในใจใจสะอาสามเลือสองมีสติสรรมะชัญญะมีสติธรรมชัญญะยาาสติย่าาสติย่าาสติอย่าขาดความรู้ ต, ต, ตัวรู้ทั่วรู้กาลรรเทศะกิละรู้บาปลูบุญรู้คุณรู้โทษรู้สินป็ประโยชน์ไม่เดือดเท่านี้พอหนึ 1. 1> ่งไม่จะมา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 เป็นที่น้องท้องเดียวกันมาหน้าเหมือนยักษ์ยักษ์เอวยักษ์ไหลยักษ์เหนือยักษ์ตายยักษ์ย่อเดี๋ยวนี้มนุษย์หายล่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็มีแต่บ้านยักษ์มาเร็วๆนี้ไปกรุงเทพมาเน่ยมันไม่เฉลี่ยสามปีเลยไปกรุงเทพมาต้องขอเจริญพรลาเลยนึกว่าบ้านมนุษย์ไปเจอยักษ์ค่ะหัวเมียทะเลาะกันในห้องนึกว่าเราไม่ได้เย็นหูเราเนี่มันแปลก เวลากระซิบได้ยินเลยเขาด่ากันในห้องได้ยินออกมาที่หูเรายาลูกเอาแก้วมาตกแตกเพลมตบทวดยมลบพรเพราเจริญพรลาไม่ได้อยู่ชั้นเพลนหรอกไม่ทุระที่วัดเราก็พูดก็คนลดว่าแหมมาผิดบ้านจะแล้วพระภัยมณีจะอยู่ได้เหรอจะต้องหนีไปหาชุวันราชาชุ ม, มาลี ที่วัดเราดีกว่าเนาะเลยวันนั้นไม่ได้ฉันเพลงเลยสมน้ำหน้าเราไหมฉาไม่ลงด่ากันต่อหน้าเรานี่กรุงเทพขอประทานโทษโยมอย่าทะเลาะไปนี่ขอมิฉาบากหนักนี้เบาหน่อยให้อาภัยกันพี่นอ้องจะได้มีพระภัยมณีมณีแก้วจารณาย คิดเงินแล้นองทองแล้มาแล้วไปนั่งกรรมาฐานสวดมนโพนาตีนี้ให้มาอายุจะยืนเนี่คนไต้หวันเล่าให้สมมาฟังขณาดภูเขาทั้งลูกเลยจมลงไปในดินเลยแดินไหวภูวเขาสูงวะจมลงไปในดินเลยเห็นไหมคนตายเป็นหมื่นไต้หวนันเขามาเล่าคนไต้หวันมาที่แต่เขาอยู่ห่างกันที่นัที่ไทเป้มันไม่มีแดินไหวขณะดภูเขาสูงแทๆ้ๆยังจมลงไปเลยเห็น เขาเรียกแผ่นดินทอ น, นี้ฉุกไม่ใช่เลื่อมเหลวไหลยอย่างเพีนเทวทัศน์ไหมแค่แค่คิดอาฆาตผู้เจ้าแค่หินเร่งจะไปให้ท้าผู้เจ้าตายโดนเลือดคิดๆทอ น, นี้ฉุกเลยอาริยุปวานอันตรายคิดไม่ดีกับผู้ชงสิทงท่งชงธรรมและผู้มีประคุณคิดไม่ดีกับพ่อแม่เป็นอันตรายแน่นอนคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์เป็นอันตราย อันตรายเกิดขึ <Brown. S 2> ้น <rouge> มีห้อ <Wo> ย <aru> ่างกิเลสชันอันตรายอันตรายเกิดจากกิเลสลอกกฎหลงเกิดจากอันตรายกิเลสกรรมอันตรายที่อันตรายเกิดจากการกระทําวิปากกมมันอันตรายอันตรายเกิดจากวิบากรรมไม่ชัดก่อนเกิดอันตรายอยูุ่นอริยูอลิยูประวานอันตรายอันตรายเกิดจากการตู้จาบพระเหลียชา ต้วนจากกับพ่อแม่และผู้มีบุญคุณคือบาอาจารย์จะเกิดอันตรายในปัจจุบันเกิดแผ่นดินไว้เกิดธรณีโฉดได้บันทีคิดมาดีกับพ่อแม่กเจังกระทั่งที่พ่อแม่ไม่รู้เลยพ่อแม่จะดีชั่วประการใดอยากคิดไมด่ดีเพียงจะคิดเราก็เจ๊งนะไม่ต้องลงมือทำขอฝ่ายญาติโยงกรรมฐานคือแผ่เมตตานางกรรมฐานให้พ่อให้แม่แล้วก็โยงมีบุญที่จะถึงหมด ถ้าเจ็ดั่วโคตรเซนเลือดิดเดียวเดียวกันไม่ต้องออกชื่อถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานถึงหมดไม่ต้องออกชื่อท่านนอกประเด็นนี่เคยสะพ้ายต้องออกชื่อออกชื่อเป็นเพื่อนนอกประเด็นต้องออกชื่อถ้าเป็นสายโลหิตเดียวกันไม่ต้องออกชื่อถึงหมดยอมทำเนี่ยถึงปู่ย่าตายายยอมทำถึงลูกถึงหลานถึงแน่นอนมันยังโยมมีลูก เราเป็นลูกของพ่อแม่เราทําดีอย่างเดียวพ่อแม่ก็ะชินใจเนี่ยเทา่านี้ปัญหาอยู่ที่ถ้นเราเป็นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันไม่ได้สร้างความดีลูกจะไม่สบายใจชั้นใดก็ชันนั้นเช่นเดียวกันแต่พ่อแม่ทะเลาะ ก, กันเราเป็นลูกก็ไม่สบายใจถ้าเราเป็นพ่อแม่ลูกมันรบกันอย่างนี้เราไม่เอาไหนเราไม่สบายใจเหลือนสบายใจเหรอนี่ชั้นใดก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เวลาพอสมควรเนะี่ย เอาวันนี้ก็ขอโอมทนาสาธุการแก่โยมด้ขอให้ตั้งใจฉุดมนเป็นนิอนสอดิชานติเป็นประจำเอาโหติกรรมก่อนก็แผ่เมตตาเอาโหติกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาถึงจะได้ผลเรายังผูกใจเจ็บใครอิจฉาใครแผ่เมตตาไม่ออกต่อโหติกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผูกพยาบาทฆ่าพิเวนแต่ท่านผู้ใหญกรรมดีจะแผ่ผลไปถึงลูกหลานเนี่ยบิดามารดาปุญญาญายสมปรารถนาทุกปรการ ก็ขออำนาจคุณมาสีเกตนากรอำนาจคุณผู้ชนทั้งหลายสยประทานพรให้ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมบวชในครรมะปฏิบัติ